ขอบคุณนะคราที่ปากติตาแม่นะคะติตาสิงห์้องแล้วก็ทีมอเุ่มในเนสโรงอซีซั่นสแล้วอย่าลืมนนซีซั่น3าทุกคนนะคะที่มีความฝันอย่าทิ้งฝันนะคะไปตามฝันเหมือนแม่ให้แม่ตามฝันเลยรักจ้าขอบคุณนะคราที่ปากติตาแม่นะคะติตาสิงห์้องแล้วก็ินมหนุ่มในเสโรงวอซีซั่นสแล้วอย่าลืมนนซีซั่น